ฉันรู้ว่าเธ อ, อยังห่วงใยฉันรู้ว่าใจเธ อ, อยังสั่นฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการทำให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้ถึงแม้ว่ามันลำบากใจเธอก็ต้องไปอยู่ดีรีบเช็ดน้ำตาที่เธอมีคิดเสียว่าจะเจอคนดีกว่าฉันอยคิดกังวลอะไร ฉันอยู่ตรง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 ใจเธอไม่ได้ไม่ฟื้นใจกันก็ทิ้งกันไปเ yeah. ย็นอาจทำใจได้ยากคงไม่เป็นไรแค่เสียเธอไป